ถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงที่กําลังได้ยินอยู่เนี้ยการที่เราได้ยินเสียงนี้แสดงว่าเราเนี่ยมีจิตเราเป็นผู้ที่มีใจเพราะว่าจิตนี้นั่นเองที่จะเป็นผู้ที่เข้าไปทําหน้าที่ในการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ผ่านมาทางตาหรือว่าเสียงที่เข้ามาทางหูก็ตามถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงนี้ จิตของเรามีอยู่แน่นอนแต่จิตของเราที่มีอยู่ในการที่เราได้รับฟังสิ่งที่เป็นเสียงที่มากระทบนั้นมันก็อาจจะมีความวันไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเสียงที่มากระทบนั้นถ้าเผือว่าเป็นเสียงที่ทำให้เรามีความยินดีเพลิดเพลินพอใจจิตเราก็จะไปรุ่มหลงมัวเมายินดีแต่เป็นเสียงที่ทำให้เรามีความไม่พอใจคเครียดครัเราไม่ชอบ ก็จะทำให้จิตของเรามีความโกรธเกลืองไม่พอใจพระเจ้าจึงให้ทําการฝึกจิตแตให้จิตนั้นไม่หวั่นไหวไปตามสภาพที่หมากระทบแล้วโดยเปรียบเทียบเหมือนกับจิตของเรานี่แหละจิตของเราเหมือนกับทองคําอันหนึ่งของคําก้อนหนึ่งหรือโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่โลหะไม่ว่าจะเป็นภาชนะสัมฤทธิ์แต่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบไว้อย่างนั้น เป็นภาชนะสัมฤทธิ์ที่เขาขัดดีแล้วเงาดีแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าไปถูกลมถูกฝนถูกแดดมันก็มัวหมองเศร้าหมองเปื้อนเกิดเป็นสนิมขึ้นได้ทองคําแต่ถ้าเผื่อว่ามีสนิมแห่งทองคําั้นมันก็ทําให้ทองคํานั้นเศร้าหมองมีเนื้อไม่อ่อนแตกง่ายไม่สามารถที่จะขึ้นรูปเป็นสิ่งต่างๆได้ คือถ้าท่องคำนั้นไปพบปะเจอเจอกับสิ่งแวดล้อมนั่นที่จะทําให้จิตเศร้าหมองก็คืออารมณ์ทั้งสองอย่างที่จะเป็นที่น่าพอใจให้เราเกิดความลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินหรือว่าอารมณ์ที่น่าขยะกขยงเกลียดชังตรงนี้เปรียบเสมือนกับจะเป็นสิ่งที่ทําให้จิตของเรานั้นมีความเศร้า ห, หมองเปรียบเสมือนกับสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นความร้อนสูงมีประจุไฟฟ้าบวกลบมาก ทําให้เกิดเป็นสนิมขึ้นได้ข้อความที่ผู้ชาติเปรียบเทียบตรงนี้ะเปรียบเทียบกับทองคําำที่ว่าทองคํานั้นก็มีสนิมของทองคําที่ทําให้ทองคานั้นเศร้าหมองาฟตงบางท่านอาจจะคิดถึงงั้นเราพูดถึงโลหะชนิดที่ไม่เป็นสนิมแเช่น Stand ate, สแตนเลสอย่างนี้ไปตอนแล้วรู้หรือเปล่าว่าสแตนเลสเองก็มีสนิมของสแตนเลสเหมือนกันทองแดงก็มีสนิมของทองแดงไม่ว่าโลหะชนิดไหนก็ตาม และจะมีสนิมของมันต่างสิน้นสนิมในที่นี้ก็คือตัวที่จะทําให้เนื้อโลหะมันกร่อนออกมันหลุดออกเปลี่ยนสภาพจากธรรมชาติของมันให้เป็นออกไซด์ออกมาก็จะทําให้มีความมัวหมองเศร้าหมองไม่ว่าจะเป็นโลหะผสมประเภทใดๆก็ตามไม่ว่าเขาจะผ่านความร้อนไม่ผ่านความร้อนอย่างไรก็ตามแมันก็จะมีลักษณะของสนิมที่เกิดขึ้นได้อันนี้แน่นอนมันขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งแวล้อมบางอย่างเอื้อให้เกิดสนิมสิ่งแวดล้อมบางอย่างเนะ่ยทำให้สนิมเกิดขึ้นได้ยากอย่งเนะช่นเดียวกันกันกบจิตของเราท่านผู้ฟังจิตของเราเนี่ยมีสนิมอยู่แตนะ่เพราะอะไรเพราะมันมีช่องทางให้เกิดสัมผัสกันได้นะคือถ้าเผอว่าโลหะเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวของมันอยู่ในที่ที่เป็นสูญอากาศไม่เกิดมีสัมผัติใดๆไม่ถูกความร้อนไม่ถูกความชื้นไม่มีใดๆมาสัมผัสมันเนี่ยมันก็เป็นโลหะที่บริสุทธิ์ และไม่มีสนิมเกิดขึ้นแต่เมื่อไรที่สัมผัสสิ่งที่มากระทบแต่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดสนิมก็ได้แต่สนิมที่จะเกิดมากหรือน้อยนั้นแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่เจ้าโลหะนั้นมันตั้งอยู่อย่งเช่นถ้ามันอยู่ในที่ที่มีความร้อนมีอุณหภูมิสูงมีประจุไฟฟ้ามากมีความชื้นสูงด้วยแต่จะเป็นสิ่งแวดล้อมจะเป็นสบาวะที่ทําให้โลหะนั้น มีการเกิดสนิมได้สูงขึ้นสนิมไม่ได้เกิดที่สิ่งไวราที่มากระทบแต่ว่าจะเกิดขึ้นที่ตรงตัวโลหะนั่นเองตรงพื้นผิวที่มันกระทบกันเนี่ยระหว่างเจ้าอากาศกับพื้นผิวตรงนั้นแต่มันจะไม่ได้เกิดตรงเนื้อข้างในแต่มันจะเกิดบริเวณผิวที่มีการกระทบโอ้ประมาณมานี้พระเจ้ายกขึ้นมาเนี่ยพูดถึงเรื่องสนิมของทองเนี่ยซึ่งมีอยู่5้าอย่างได้แก่ดีบุก โลหะเหล็กตะกัวและเงินซึ่งสนิมเหล่านี้ก็คือจะทําให้ทองนั้นมีความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อทองคาในเวลายอย่างที่เขาไปถลุงแร่ทองคํามาเนี่ยกว่าจะได้เป็นแร่ที่บริสุทธิ์สะอาดเนี่ยก็ต้องมีการมาล้างใช่ไหมอย่างที่เราเคยคุยกันไปล้างแล้วได้เป็นตัวผงทองคําออกมาก็ต้องเอามาผ่านความร้อนเพื่อที่จะให้ ไอสารปนเปื้อน ต, ต่างๆที่อยู่ในเนื้อทองคํานั้นมันออกไปแต่ล้างสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไปขึ้นรูปต่างๆมันก็ขึ้นรูปได้แตนะ่มีความนุ่มอยู่ในเนื้อของมันเราทําทองคําเสร็จเรียบร้อยแล้วแตนะ่จะเอาไปเที่ยวตากแดดตากฝนแล้วมันก็จะหมองอีกมันก็จะเศร้าหมองไปได้เราก็ต้องรักษาทองคํานั้นที่ทําความสะอาดแล้วให้ดีที่ขึ้นรูปล้างให้ดีอันนี้ไม่ต่างกันกันกบจิตของเราเลยแต่ฟัง จิตของเราอยู่เป็นเอกเทศสบายๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมีผัสสะมา ก, กระทบอยู่ในสิ่งแวดล้อมบางอย่างนี่ยที่ไม่พอใจบ้างที่ทําให้เราลุ่มหลงบ้างมันก็จะทําให้จิตของเรานั้นมีความเศร้าหมองมัวหมองเกิดขึ้นถ้าเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความลุ่มหลงมัวหมองเพลิดเพลินนั้นมันก็จะทําให้จิตของเรามีความหิวมีความหิว้วมีความอยากมีความกระหาย นังกินเราก็ยังไม่หายแต่ถ้าเป็นภาษาที่มีความร้อนมีความไม่พอใจก็จะทำให้จิตเราั้นร้อนจิตเราวุ่นวายจิตเราฟุ้งซ่านแช่สายหนังเป็นลักษณะของนิวรณ์ต่ง 5, างหานัก็คือมีพื้นฐานจากกิเลสนั่นเองหนังจิตถ้ามีกิเลสหนัรัคขาโตสะโมหะมันก็จะผสมกันออกมาในลักษณะที่เป็นนิวรณ์คือเครื่องกลางกัน ท ำ, van, ท, ำ Spark, ทำจิตให้เศร้าหมองทำจิตให้ไม่มีปัญญาทำจิตให้ไม่มีกำลังสิ่งเครื่องเศร้าหมองเป็นสนิมของใจที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่น ใ, นใจแตะไม่ได้เกิดขึ้นที่ปาสสาวะแต่บางคนจะคิดว่าโอ้ยเพราะว่าคนนั้นเขาพูดอย่างนี้พรสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ฉันจึงมีจิตเศร้าหมองจิตของฉันจึงไม่อยู่เป็นสุขนั่นคือโทษภัสสาวข้างนอกแต่สนิมความเศร้าหมองทั้งหมดไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกมันเกิดขึ้นในจิต แน่นอนบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงแปรผันตามสภาพที่มากระทบแนะภาษาบางอย่างสภาพแวดล้อมบางอย่างทำให้สนิมเกิดขึ้นได้ไง่ายแต่เวลาที่สนิมมันเกิดขึ้นที่จิตเท่านั้นเพราะเวลาที่จะแก้นะมูฟังมันแก้ที่จิตเวลาที่เราจะเอาสนิมออกไปได้กระบวนการขั้นตอนนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะต้องเอ า, อากระดาษทรายเนี่ยมาขัดนะขัดสนิมให้มันที่เกิดขึ้นที่ผิวเนี่ยให้มันออกไป แต่ถ้าสนิมหรือว่าไอเครื่องเศร้าหมองอยู่ในเนื้อก็ต้องเผาด้วยความร้อนให้มันหลอมเหลวนะใช้เทคนิคในการแยกความหนานแน่นให้สิ่งที่มีความหนานแน่นไม่เท่ากันแยกกันออกไปนะเนอหลือแต่เป็นโลหะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีเทคนิคบานประการที่ใช้ในการขัดสีนะทําให้โมเลกุลของสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์มันออกมาได้นี่ก็เป็นเทคนิคต่างๆที่นะักวิทยาศาสตร์เขาจะใช้ในการที่จะทําให้โลหะที่เราต้องการมีทองคําเป็นต้น มีโลหะประกอบอื่นๆเป็นต้นเนี่ยให้มีความบริสุทธิ์ซึ่งเทคนิคในเบื้องต้นที่เขาจะใช้งานได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือเอากระดาษทรายมาขัดโลหะนั่นเองอันนี้ไม่ต่างกันเลยท่านผู้ฟังในะจิตของเราในะที่มีสนิมเกลดกลางรัดรึงอยู่ในเวลาที่จะทําความสะอาดจิตให้มันออกเนี่ยบางทีมันก็ต้องขัดนะขัดที่จิตเวลาที่เขาขัดโลหนะให้สนิมมันออกอย่างเงี้ย มันก็จะต้องมีเนื้อบางส่วนของโลหะที่หลุดติตตดออกไปด้วยเพราะอะไรนะเนี่ยเพราะว่าไอโลหะสนิมเนี่ยสนิมมันติดมันติดกับโลหะก็ต้องขัดนตรงจุดที่เป็นสนิมมันก็โลหะที่เราต้องการมันก็หลุดออกไปด้วยเนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างขัดจิตของเราในบางทีเนื้อจิตเดิมๆมันก็หลุดออกไปด้วยทําให้มันมีความแสบความเผ็ดร้อนบางทีมันเกิดขึ้นนีซึ่งความแสบความเผ็ดร้อนตรงเนี้ยพระเจ้าใช้คําว่าเป็นตะบะ นัคือเครื่องเผาผลาญเครื่องเผาผลาญไอ้เจ้าความไม่ดีให้มันหลุดออกไปเพราะบางทีเราเสพธรรมะรับรู้ธรรมะส่งธรรมะไว้ในใจเช่นการรักษาสีเป็นต้นอย่างเนี้ยอย่างบางคนฝึกในการที่จะไม่ด่าคนอื่นแหมพอเขาฟังเรื่องที่ไม่พอใจแล้วมันมันอยากจะดา่ามันอึด อ, ด อ, ดอดัขึ้นอย่างนี้มันอยากจะดา่ามันก็รู้สึกแบบอึดอัดนิดหนึ่งนี้เป็นลักษณะของเครื่องขูดกล่าวแน่นอนมันจะทําให้เราเสพแสบบ้าง มันอาจจะทำให้เราอตอนแรกๆอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้บ้างตรงอดทนบ้างอะไรบ้างอันนี้ธรรมดาแต่เพราะเป็นกระบวนการแต่ถ้าเมื่อไรไอ้สนิมนั้นมันหลุดออกไปสนิมนั้นหลุดออกไปจากใจแล้วนใจเราสว่างสดใสเบาสบายแลจะเกิดสภาวะอันนี้ขึ้นคือผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมะก็จะมีความเบามีความไม่ร้อนใจ มีความสบายใจนนั้นจะเป็นผลที่เกิดจากการที่คุณล้างเช็ดขัดสนิมออกไปแล้วเหมือนกันโลหะที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันในอีกประการหนึ่งเกี่ยวกวับเรื่องของสนิมในใจเนะื่องจาใจถ้ามีผัสสะที่มันมากระทบในลักษณะที่จะทําให้เกิดสนิมขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ล้างไม่เช็ดไม่ขัดสนิมเนี่ยนะยิ่งถ้ามันก่อตัวกันมากขึ้นมาขึ้นอัตราการเติบโตอัตราความงอกของสนิมมันยิ่งเพิ่มขึ้น สมมติว่ามีสนิมหน่วยหนึ่งถ้าเาวัดเป็นหน่วยลักษณะนี้ยกตัวอย่างเช่นแกว่าที่มันจะเติบโตเป็น2หน่วยสมมุติว่าใช้เวลาเท่านี้ใช้เวลาสมมุติว่า1วัน1วันจากการที่สนิมจะโตจาก1หน่วยเป็น2หน่วยใช้เวลา1วันไปต้นแต่ถ้าไอ้เจ้าสนิม1หน่วยนี้แต่ถ้ามันเป็น10หน่วยจากสนิม10หน่วยโตขึ้นเป็นสนิม20หน่วยมันไม่ได้ใช้เวลาแค่1วันนะทําฟังมันเร็วกว่านั้น สนิมเนี่ยยิ่งมากอัตราการเติบโตมันยิ่งสูงอันนี้เป็นลักษณะทางวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปเลยแต่เป็นลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของมันโดยเป็นปกติอัตราการเติบโตของมันไม่คงที่มันจะเพิ่มตามจํานวนอัตราการเติบโตของมันจะเพิ่มตามจํานวนของสนิมที่มันมีขึ้นแต่มันยิ่งโตเร็วมันยิ่งมีมากมันยิ่งโตเร็วไม่ใช่เป็นเส้นคงที่แต่มากขึ้นมากขึ้นในเช่นเดียว ก, กันไม่ต่างกันเลยทางฝั่งในจิตของเรา ถ้าจิตของ เ, เรามีความเช่นขี้เกียจ เ, เช่นแบบพยาบาทแตเช่นความง่วงงา น, น้อนความฟุ้งซ่านแตะมีหน่วยหนึ่งมันโตขึ้นเป็น2หน่วยมันจะใช้เวลาเท่านี้แต่ถ้าเรายังมีความขี้เกียจมีความฟุ้งซ่านแบบขี้เกียจเรื่องนี้แลว้วก็ขี้เกียจเรื่องนั้นด้วยกินมากด้วยคิดไม่ดีด้วยอะไรด้วยไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันยิ่งโตเร็วยิ่งมีมากมันยิ่งโตเร็วอัตราการเติบโตของมันยิ่งเร็วกว่า ตอนที่มันมีพวกน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตต็มวังสนิมในใจถ้ายิ่งพอกผูนเอาไว้มากไม่รีบขัดรีบล้างรีบเช็ดให้มันออกไปมันจะยิ่งพอกผูนขึ้นมาเราจะประมาทไม่ได้เลยแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อยู่นะ่ะก็เป็นสิ่งสําคัญนะ่ะว่ามันจะทําให้สนิมเกิดขึ้นมากหรือเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าาอยู่ในสิ่งแวดล้อมโลหะนะ่ะโลหะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันแห้งมันมีความชื้นน้อย มีอุูไม่สูงมากนะักนะการเกิดสนิมของมันแทบจะไม่มีน้อยมากแลนะยิ่งถ้าเป็นพื้นผิวเรียบเรียบและยิ่งการเกิดสนิมน้อยมากเหมือนการจิตของเราแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์หรือพรรษะนะที่ไม่ได้เอื้อต่อการที่จะเกิดสนิมเช่นอะไรบ้างนะเช่นการที่เรามีความขวนขวายน้อยการที่เราสมรมอินทรีย์การที่เรารู้จับปริมาณในการบริโภคการที่เรามีบริขาร มีความสันโดษในบริการแห่งชีวิตมีบริการน้อยการที่เราฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆการที่เราอยู่ป่าอยู่ในเซนาสนะอันสงัดพวกนี้จะเป็นเปรียบเสมือนกับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้จิตเกิดสนิมได้น้อยนจะทําให้จิตนั้นมีเครื่องข้องเครื่องกงังวลเครื่องกางกันน้อยลงแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีการด่ากันว่ากาันมีคนพานชวนเราไปทํานั่นทํานี่ มีการดูการอะไรนั่นเป็นค่าสึกต่อคุณศรธรรมนะมีสิ่งโยโยนมีเครื่องอยูย่หยนจิตเราก็จะเกิดสนิมได้มากเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกสถานที่เลือกสิ่งที่เสพข่าวบางข่าวดูแล้วมันจิดขึ้นมา ท, าทันทะีข่าวบางข่าวเออดูแล้วมันจิตสงบลงเราก็ต้องรู้จักเลือกสิ่งที่เสพนะให้มีการสรํารวมอินทรีย์รักษาจิตของเราแตนะ่ไม่ให้เจ้าสนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่อย่าไปโทษสิ่งภายนอกเพราะว่าสนิมมันไม่ได้มากับสิ่งภายนอก แต่สิ่งภายนอกอาจจะเอื้อให้เกิดสนิมเกิดขึ้นใน ใ, นใจเพราะฉะั้นคือบางคนเนี่ยมีความเข้าใจไม่ถูกว่าสิ่งภายนอกนี่แหละทําฉันนะปัญหาเกิดจากสิ่งภายนอกซึ่งตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วท่านผู้ฟังเขาก็คิดกันอย่างนี้นะว่าสิ่งทั้งปวงนี่คนนู้นบันดานคนนี้บันดานทําให้ฉันมีความทุกข์แต่จริงแล้วความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจสนิมอยู่ใน ใ, นใจสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะมีองค์ประกอบที่ทําให้สนิมเกิดขึ้นใน ใ, นใจได้ง่ายหรือได้ยาก แต่ทั้งหมดทั้งนั้นมันอยู่ที่ใจเหมือนสนิมเกิดขึ้นที่เหล็กเหมือนสนิมเกิดขึ้นที่โลหะเวลาที่สนิมมันเกิดขึ้นที่เหล็กที่โลหะแล้วมันจะค่อยกัดกร่อนกินเนื้อโลหะออกไปออกไปทีละนิดละนิดยิ่งมันมีมากยิ่งกัดกินมากยิ่งกัดกินได้เยอะจนกระทั่งบางทีเนื้อเหล็กเนี่ยมันหมดสภาวะของการที่จะรับแรงหมดสภาวะของคุณสมบัติของความเป็นเหล็กของความเป็นโลหะชนิดนั้นไปเลย กินกันจนหมดแท่งไปเลยก็มีหเหมือนปลูกกินไม้เนี่แหละกินจนหมดไม่เหลือเลยแต่เนะช่นเดียวกันจิตของเราแต่จิตของเรามีเจ้าครื่องกลางกาั้นมีสนิมเกิดขึ้นในใจมากมันจะก่อยกินจิตของเราไปทีละนิดทีละนิดทีละนิ ด, นดจกนกระทั่งจิตของเราไม่เหลืออะไรจิตไม่เหลือนี่เป็นยังไงคือจิตแตกนั่นเองเวลามีอะไรมากระทบนิดนึงเหมือนเหล็กเนี่ยโลหะที่ถูกสนิมกินหมดเนี่ยมีแรงอะไรมากระทบนิดนึงมันมันล้มไปเลยมันหักไปเลยมันรับแรงไม่ได้ เวลามีเรศผัสสะมากระทบนิดนึงจิตมันแตกไปเลยจิตมันมีความกระแทกกระแทกกระด้างกระเดือเฉลางความโกรธความขัดเคกงความไม่พอใจให้ปรากฏนะจิตแตกก็รักษาไม่ได้แลนะ่จิตแตกก็จะมีแต่ลม้มลงแย่ลงสุดลงต่ําลงและตามลงไปจนถึงนรกกาเนิดในราชานเปรตพิสัยนู่นนั้นเพราะว่าสนิมที่อยู่ในใจแลนะที่มันจะมาคอยกัดกินนะทาให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองต่าําซ้ำลงไปเราต้องทํำยังไง เราทํายังไงกับโลหะล่ะท่านผู้ฟังโลหะที่เราเห็นอยู่ว่ามันยังสว่างสดใสมีพื้นผิวเรียบไม่มีสนิมเกิดขึ้นเราก็ต้องรักษาโลหะนั้นให้ดีแต่ถ้ามันมีสนิมเกิดขึ้นหน่อยเราก็ต้องขัดขัดให้ดีทําให้มันเงางามแล้วเก็บไว้ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มันจะรักษาความเงางามความดีของมันเอาไว้ได้เช่นเดียวกันบางทีในใจของเรามีความ ยศความเศร้าหมองความไม่ดีเกิดขึ้นเรารีบละออกรีบขูดออกรีบขัดออกรีบล้างออกเอาสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปจากใจของเราแม้นิดเดียวก็ตามอย่าประมาทเลยเพราะว่ไอ้นิดเดียวนั่นแหละมันค่อยโตขึ้นโตขึ้ น, นจนมันมีพวกมากเมื่อไหร่ในจิตของเราแต่สนิมเริ่มมีมากเท่าไหร่ที่พื้นผิวของเราอมันยิ่งโตเร็วมันยิ่งไปเร็วเราจะประมาทในการที่จะเอ อ, เ อ, อนี้ไว้ก่อนแมมชอบดูละครเรื่องนี้ หนังเรื่องนี้ดูดีแตมันยิ่งทําให้เราเศร้าหมองลงไปเอาขี้เกียจเรื่องนี้เด็กินมากแล้วก็คุยกับคนนั้นคนนี้ไม่รู้จักอ่านธรรมะไม่รู้สึกศึกษาธรรมะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะไอ้สิ่งที่เป็นอคูสต์มันจะเริ่มโตเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งเรารักษาไม่ทันจนกระทั่งเราป้องกันไม่ได้ น, น, นี่คือความประมาทเราอย่าประมาทนะเห็นนิดนึงเรารีบขูดออกล้างออก อย่างช่างเวลาที่เขาทํางานก็เห็นสนิมเหล็กที่เกาะอยู่ที่ราวบันไดหรือเหล็กหรืออุปกรณ์ไหนๆเนี่ยเขาจะขัดออกปุ๊บแล้วเข า, เาทาสีทันทีเดีเห็นสนิมเปื้อนอยู่นิดหนึ่งปุ๊บเอากระดาษทรายขัดซึ้ดซึดแล้วก็เอาทาสีทาเดี๋ยเพื่อปิดกั้นไม่ให้ไอาสภาวะแวดล้อมเช่นเส้นบางสิ่งแวดล้อมมีสภาวะความร้อนสูงความชื้นสูงเอาสีทาไว้มันก็ป้องกันได้ระดับหนึง่งเช่นเดียวกันจิตของเราแต่บางทีเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในครองบ้านชีวิต มีความครองเรือนอยู่เหนเจอสิ่งที่พอใจบ้างไม่น่ะพอใจบ้างคนพูดเรื่องดีไม่ดีบ้างแต่เราป้องกันได้เหนือด้วยใจที่มีการสรํารวมอินทรีย์มีการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆบางกลุ่มเพื่อนบางคนเรายังเลิกคบไม่ได้อ้าวก็ต้องคบกันไปก่อนแต่ทํากิจการงานไปก่อใหม่เป็นไรแต่ถ้าเราใจเรามีธรรมะเหนศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆมันก็จะมีเครื่องป้องกันอยู่ได้อีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังโลหะเนี่ย ถ้าเบื่อมันไปอยู่ใกล้โลหะอีกก้อนหนึ่งแตนะที่โลหะอีกก้อนหนึ่งนั้นถ้าเป็นสนิมนะโอกาสที่มันจะเป็นสนิมมันก็มีเพิ่มขึ้นนะคือโลหะก้อนหนึ่งสะอาดสดใสไม่มีปัญหาใดๆดเลี่ยมมันกับโลหะอีกชิ้นหนึ่งเป็นโลหะที่มีสนิมอยู่แล้วมากก็ตามน้อยก็ตามแต่ถ้ามันมาอยู่ใกล้กันเนี่ยไอ้โลหะก้อนที่ไม่มีสนิมก็จะมีความเสี่ยงมีอัตรานในการที่จะเกิดสนิมมากขึ้นด้วย เหมือนกันทั้งหมดว่งเราจริตใจเราสว่างสงบสดใสดีแล้วแต่ไปอยู่ใกล้กับคนที่มันคิดบ้าคิดบอเป็นคนพานมีความคําพูดคําจาความคิดในทางมิจฉาทิฏฐิสนิมมันจะมาเกิดที่ใจเราได้ง่ายขึ้นอันนี้เราต้องระวังเหมือนกันจิตใจของเราไม่ต่างอะไรกันเลยกับก้อนโลหิมีการทํางานเหมือนกันอีกประการหนึ่งทั้งหมดวังพื้นผิวของจิตเนี่ยก็สําคัญ นีพื้นผิวของจิตคือพื้นผิวของโลหนนะเนี่ยแหละเนีถ้าพื้นผิวของโลหะเป็นลักษณะที่มีความขรุขนระเนี่มันก็จะมีอัตราการเกิดสนิมที่ได้มากขึ้นเนเะช่นเดียวากันจิตถ้าปกติมีความคิดนั่นนี่โน่นนะี่ยคือจิตมีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างมากเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้เกิดสนิมได้มากกว่าจิตที่นิ่งๆิ่งอยู่จิตที่เป็นอารมณ์เดียวอยู่จิตที่นิ่งนิ่งเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยก็เหมือนโลหะที่มีพื้นผิวเรียบ มีพื้นผิวที่สม่ำเสมอนะโอกาสที่จะเกิดสนิมก็ได้ยากหรือแม้แต่พระอาหารหันต์ก็ตามนะพระอาหารหันต์เนี่ยองถ้าเราจะเปรียบเทียบนะกับเนื้อของโลหะนี่คือภายในทั้งหมดทั้งเนื้อเนี่ยมีความบริสุทธิ์อยู่ละแต่สมมติว่าเปรียบเทียบกับบุตรชนคนธรรมดาทั่วไปเนะี่ยที่ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเลยแม้แต่ในเนื้อเองก็มีความไม่บริสุทธิ์อยู่ในโลหะใช่ไหมเกาจ้ อ, องต่อให้คุณทําพื้นผิวให้มันดีอย่างไรก็ตามเนี่ย แต่ข้างในมันยังไม่บริสุทธิ์อยู่ไอ้ความไม่บริสุทธิ์ของเนื้อในเนี่ยแต่ระวังมันอาจจะเป็นตัวเหนี่ยวนําให้โลหะหรือก้อนโลหะชนิดนั้นเนี่ยมีอัตราการเกิดสนิมที่เพิ่มขึ้นได้แต่สมมุติเราเอาโลหะมาในประเภทหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์ร้อยกับโลหะประเภทเดียวกันที่มีความบริสุทธิ์ไม่ถึงร้อยอนาจจะสักเกซ็นแล้วเราชมพบว่าเนื่องจากความไม่บริสุทธิ์ของเนื้อในมันทําให้มีการเหนี่ยวนําประจุไฟฟ้าบ้าง เดา๋ยวนำสิ่งอื่นบ้างทําให้ไอโลหิที่มีความบริสุทธิ์น้อยกว่านี่มีอัตราการเกิดสนิมได้มากกว่าแต่มันการจิตใจของคนที่ยังมีความขึ้นลงยังไม่เป็นบาาาระอรหันต์ว่างั้แต่นะแต่มันก็จะแปดเปื้อนปนเปื้อ น, นคือเนื้อในจิตใช่ไหมเป็นอย่างหนึ่งยังไม่บริสุทธิ์ยังมีพิษมีรากคืออวิชาอะไรต่างๆเวลามีแรมากระทบมันก็เกิดเป็นสนิมได้ง่ายกว่าแต่ถ้าจิตใจแต่บริสุทธิ์แล้วเดี๋ยังของพระอาหารหันต์นี่ มีแรงมากระทบเหมือนก็ไหลออกลื่นออกนั่นเป็นความบริสุทธิ์ของเนื้อในนั่นที่จะมีผลต่อการเกิดสนิมที่ผิวของก้อนโลหะนี้ด้วยเหมือนกันแั่นท่านพระสารีบุตรเปรียบเรียบกับภาชนะสัมฤทธิ์นะว่ามีเขาขัดกันมาเรียบร้อยแวววาอย่างดีผสมโลหะอย่างถูกสัดส่วนแต่ถ้าไปตั้งไม่ดีอยู่กับตากแดดตากลมตากฝนก็ให้มีความเศร้าหมองจะทําให้มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นได้เหมือนกันพแม้แต่พระอาหารหันต์ก็ต้องรักษาจิตของตัวเองเหมือนกัน แตคนที่คิดว่าเออฉันภาวนาดีแล้วปฏิบัติแล้วแตรักษาจิตเอาสนิมอะไรอีกต่อไปแล้วจะได้ไม่ต้องรักษาต่อไปสบายใจละแตนั่งกระดิกเท้าจิบน้ําชาไปแล้วไม่ต้องทําอะไรอันนั้นไม่ใช่เลยแล้วคนที่ได้แล้วเนี่ยอย่างพระอรันที่ทําจิตของตัวเองได้สมบูรณ์แบบนะแม่จะยิ่งรักษาจิตอย่างดีแต่คนที่มีเครื่องอัจฉริอย่างดีแล้วแม่เขาจะเก็บรักษาอย่างดีทําความสะอาดเอามาเช็ดเอามาล้างอยู่เป็นประจำแต่เหมือนกันเวลาที่เราได้จิตที่เป็นบริสุทธ ได้จิต ท, ที่มีความแจ่มใสอย่างบางคนเนี่ยไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะมีจิต ท, ที่เบาบางสบายลงไปหนะังควรจะต้องรู้จักการรักษาให้มันดีนะอ่ะเนื้อในอาจจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เรายกไปก่อนแต่อย่างน้อยเราเห็นความแจ่มแจ้งชัดเจนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจิตของเรามีความเบาความแจ่มใสเราต้องรู้สักรักษาจิตของเราที่เกิดขึ้นที่สภาวะนั้นเหมือนโลหะธรรมวัง นะถ้าเปิดว่าเอาไปไว้ในสถานที่ที่มันจะก่อให้เกิดไอเจ้าสนิมได้ง่ายนะโลหะนั้นก็จะเศร้าหมองจิตเราเหมือนกันนะบางที่เราไปปฏิบัติธรรมมาแหมจำใสดีไม่มีปัญหานะพอกลับมาบ้านตอนนั้น่นะไม่พอได้กี่วัน4วันหวันนะเริ่มละมีพันธะคนนั้นไหวอย่างนี้คนนี้ไหวอย่างงั้นนะดูทีวีดูข่าวสารต่างๆจิตก็เริ่มเปนะ๋เหมือนโลหะที่ขัดมาอย่างดีแล้วแต่กลับเอาไปตากแดดตากลม หน้าตาโฟตมันก็เศร้าหมองนะเราจึงต้องรู้จักการที่จะรักษารักษาทิ่ของเราให้อยู่ในสิ่งล้อมที่มันจะเหมาะสมแต่บางทีมันเลี่ยงไม่ได้นะอย่างเหล็กหรือโลหะที่เขาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในโรงกลั่นน้ามันหรือว่าสารโรงงานที่เขาผลิตปูนซีเมนหรือว่าผลิตปุ๋ยอย่างเงี้ยจะพาแวดล้อมสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เกิดสนิมได้ง่ายแต่เขาก็จําเป็นต้องใช้กันแล้วเขาก็มีวิธีการป้องกันโดยการทาสีบ้าง โดยการที่ใช้เทคนิคต่างๆทางวิศวกรรมเช่นการเพิ่มหรือการลดประจุไฟฟ้าในบริเวณนั้นเป็นต้นแต่เช่นเดียวกันบางทีเราไปปฏิบัติธรรมมาเหนือจิตของเราสบายจิตของเราแจ่มใสแต่เรายังต้องกรองเรือนอยู่กลับมาอยู่บ้านเจอคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเสพข่าวสารบ้านเมืองบ้างอะไรบเราก็ต้องรู้จักรักษา่นะคือบองที่เราเหลีกเลี่ยงสภาวะนั้นไม่ไดนะ้ก็ต้องมีการทําความสะอาดจิตของเรา อยู่เรื่อยๆนคนที่เขาเจอสนิมปุ๊บเขาก็รีบขัดออกทาสีอย่างที่ว่าไปเช่นเดียวกั น, นจิตของเราถ้ามีผัสสะในลักษณะนั้นคุณต้องยิ่งรีบในการที่จะต้องมีการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบตอนเช้าตอนเย็ น, นฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแต่บางทีมันมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เ, าเราก็ต้องหาช่วงเวลาในการที่เราจะเติมอาหารให้จิตของเราทําความสะอาจิตของเราโดยการที่นั่งสมาธิ ปฏิบัติสมาธิสวดมนต์บ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังธรรมะบ้างนะให้จิตของเราเนี่ยมันแจ่มใสการฟังธรรมะการสวดมนต์หรือว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราขัดนะทําความสะอาดพื้นผิวของจิตของเรากนะวนให้มันเข้ากันทําความสะอาดจิตของเราให้มันแจ่มใสขึ้นมันไปเจอสิ่งสกป ร, รกสิ่งสกป ร, รกนั้นก็ลื่นออกไหลออกได้แตนะ่มันติด ก, กับพื้นผิวที่เงางามแวววาวไม่ได้ เราทําจิตของเราให้มีลักษณะอย่างนั้นโดยการฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำนั่นะทาอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฟังมาเนี่ยในที่บอกว่าฟังแล้วมีจิตอยู่บุคคลที่ได้ยินเสียงนี้แสดงว่ามีจิตอยู่เนี่ยรู้มีสติในลมหายใจบ้างไหมหรือแต่ลมหายใจของคุณเบาบางแผ่วเบาสงบระงับไปแล้วมีจิตแน่วแน่เป็นรมบันเดียวไหมมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กรวนกระวายหรือไม่ นิวรดับไปหรื อ, อยังแต่ความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจความคิดในทางกามเอาออกไปได้ไหมนั้นถ้าเราทําได้จิตของเราจำใสจิตของเราประพัดสอนจิตของเราสว่างสดใสแรารักษาให้ดีมันเหมือนกับพื้นผิวของโลหะที่แจ่มจรัสมีความแวววาวมีความเรียบเสมอกันแต่ความเรียบเสมอความแวววาวนี้มันไม่ได้อยู่นานแต่ยู่นานหรือไม่นานก็อยู่ที่ว่า เราทรําจิตของเราอย่างไรแตนะ่สิ่งที่มากระทบมากระทบตรงนั้นมันก็ยืไปนิดนึงเบี้ยวไปนิดนึงมากระทบตรงนี้มันก็บุดไปนิดนึงเป๊ไปนิดนึงมากระทบเรื่อยๆมันก็ยิ่งกรุกลามากขึ้นเปลี่ยนรูปแปรรูปไปอ่าเราก็ต้องดัดมันใหม่ะคาดมันใหม่เช็ดมันใหม่ล้างมันใหม่ทําไปอย่างนี้นะจนกระทั่งถึงสภาวะหนึ่งที่มันจะไม่กลับกําเริบเป็นสภาวะที่ไม่กลับกําเริบเป็นสภาวะที่เข้าถึงความบริสุทธิ์บริบูรสิ้นเชิง เวลาที่เราทําได้ค่อยๆทําไปตามฝั ง, งแต่มันไม่ได้ทำครั้งเดียวเช็ดครั้งเดียวมันจะสาดแวววไหนที่มันดีอยู่แล้วเรามาขัดมาล้างมาเช็ดมันก็ยิ่งดีมากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นไหนะเป็นการที่ทําสนิมในใจของเราให้มันออกไปสนิมไม่ได้เกิดขึ้นที่ผิวอย่างเดียวในกรณีนี้นะผิวมันก็มีในะข้างในมันอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่บริสุทธิ์แล้วค่อยขัดไปล้างไปนะทําด้วยกระบวนการวิธีการต่างๆนะโลหะชนิดนั้น ทองชนิดนั้นโลหะหรือเหล็กประเภทนั้นน้อก็จะมีความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันจิตของเราฟังธรรมะไปและมีสติไปทำงานไปก็รู้ลมหายใจไปด้วยนะหรือว่ามีสติอยู่ในกิจการงานที่ทำฟังธรรมะไปด้วยแนะบางทีมีการไปปฏิบัติธรรมเอาเราก็ไม่ทิ้งนะปฏิบัติกลับมาแล้วก็มีการพูดคุยสารคชาในเรื่องราวธรรมะเอามาฟังซ้รรำฟังนยะ้ทำทาความก็จะให้จแจ่มแจ้งมากขึ้น มันก็เหมือนการทําความบริสุทธิ์ในจิตของเราให้มีมากขึ้นนั้นจริงของเราบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของมันแั่นก็เป็นความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าไม่เศร้าหมองเป็นความบริสุทธิ์ชนิดที่เรียกว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์ที่ทุกคนทําได้ถ้าได้ยินเสียงนี้อยู่มีจิตอยู่นั้นมันทําได้แต่ความบริสุทธิ์อยู่ที่จิตนจิตมันจะทําให้บริสุทธิ์ได้ไงมันก็ต้องผ่านทางปัจจานิล่ะปัจจะ เป็นเหตุแต่บ่วงนะภาษาเป็นเหตุที่ทําให้เกิดตัณหาภาษาก็เป็นเหตุที่ทําให้ละตัณหาได้แนะตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดตรงไหนก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของที่รักที่ชอบนั่นแหละตัณหาเมื่อจะละมันละได้ตรงไหนก็นละได้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของที่ชอบของที่ไม่ชอบนั่นแหละมันเกิดตรงไหนละตรงนั้นมันจะสกปรกตรงไหนเราทําความสะอรดตรงนั้นนะตรงที่มันจะสกปรกได้ในตรงที่เศษุนนนมมััจะะาล เราทำตรงนั้นทำซ้ำๆทำย้ำๆมันก็สาดแ จ, จํมขึ้นมาถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามก็เสในอแนะได้ในรายการธรรมราพุนแต่ก็สามารถติดต่อกระทางรายการได้โดยส่งจดหมายหรือว่าบใบเสนอรมาที่วัดป่าดอนหายโซเลขที่1หมู่8ตํตำบลดอนไหายโซอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าไปทางเว็บไซต์กับพียธรรมาดด p u r e d h j m m a ในวันนี้ครัพระเจ้าพระไปบุญน่ะพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนนายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญฟรง